ธรรมะที่เราพูดถึงอยู่เสมอโนะดยเพราะเวลาเราอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองแง่หรือว่าสองความหมายหรือว่าสองระดับก็ได้นะระดับแรกก็มาถึงภาวะที่ดีงามนะที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้น อย่างเช่นสติสมาธิปัญญาแต่มันไม่ใช่เฉพาะภาวะที่เป็นภาษาบาลีเท่านั้นนะที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนันก็นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเช่นความตื่นรู้เบิกบานความว่างความอิสระ ความสงบเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะเวลาพูดถึงธรรมะนี่หลายคนก็นึกแต่ว่าต้องเป็นคำบาลีเพราะว่าดีงามนะที่ไม่ได้แทนด้วยคำบาลีนี่ก็มีอยู่ซึ่งหลายคำก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย อันนี้นอกจากภาวะที่ดีงามแล้วเนี่ยธรรมะอีกระดับหนึ่งก็ามาถึงวิธีปฏิบัติหรือวิธีการที่จะพาให้เราบรรลุถึงภาวะที่ดีงามเหล่านั้นภาวะที่ดีงามเนี่ยมันเป็นสากล น, นะ ไม่ว่าเกิดกับใครที่ไหนเวลาใดมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเหมือนกับน้ำน้ำจืดเนี่ยไม่ว่าที่ใดเนี่ยมันก็รสชาติเดียวกันแล้วก็มีประโยชน์นะเหมือนกันแต่ว่าวิธีปฏิบัตินะที่จะ บรรลุถึงภาวะที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะยักยื้องไปตามลักษณะหรือความถนัดของบุคคลได้ก็เหมือนกับ ยอดเขาเนี่ยนะมันก็มีอยู่ตำแหน่งเดียวนะแต่ว่าวิธีการที่จะไปถึงยอดเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายใครจะใช้วิธีใดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็สมัยก็คือว่า ทางเหล่านั้นเนี่ยมันขอให้พาไปถึงยอดเขาได้ก็พอแต่ว่าคนยืนไม่น้อยเนี่ยนะบางทีก็ไปไปยึดติดอยู่กับวิธีการแล้วพอไปยึดติดวิธีการแล้วไม่เข้าใจว่าวิธีการนั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไร ก็อาจจ ะ, ะไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการได้หรือทำแล้วพรากฏว่ามันเข้ารกเข้าพงไปเลยก็มีแต่ถ้าจับหลักได้น ะ, ะก็จะรู้จักยักเยืงหรือว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับตัวแล้วก็ พาไปสู่จุดหมายได้ในที่สุดผู้ใหญ่ก็คือว่าวิธีการที่จะเข้าถึงหรือบรรลุภาวะที่ดีงามเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสียแม่ไป รักแม่มากนะพอเสียแม่ก็เศร้าโศกเสียใจก็มีเพื่อนพาไปหาทาอาจารย์สิงห์ทองท่านก็แนะนำให้ภาวนาให้ทำสมาธิแล้วก็ให้ํำบริกรรมไปด้วยนะโท ชายคนนั้นเนี่ยทำตามที่ทาอาจารย์สิงห์ทองแนะนำแต่ปรกว่าไม่พบววความสงบเลยเพราะว่าในใจนึกถึงนึกถึงแต่แม่ตลอดเวลาก็มาเล่าให้ทาอาจารย์สิงห์ทองฟัง ตังก็เบอกว่าเนี่ยในเมื่อใจนึกถึงแม่เนี่ยก็เวลาบริกรรมก็ให้นึกถึงคําว่าแม่แล้วกันทิ้งพุทโธไปเลยเพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าโอ้เ้ารู้สึกสงบมากเลยสีหน้าก็แจ่มใสขึ้นมาเลยเพราะวันเนี่ยทําไม่ถึงสิบนาทีนะใจก็สงบเลย เพราะว่านึกถึงแต่คำว่าแม่แม่แม่บริกรรมพูโทโธไม่สำเร็จนะแต่ว่าพอบริกรรมด้วยคำว่าแม่แม่แม่เนี่ยใจสงบเลยอันนี้พอเราพอใจเนี่ยนะยังมีความเราลึกถึงแม่อยู่แต่พอเราลึกแล้วเนี่ยแทนที่จะเกิดความเศร้าโศกก็เอาคำว่าแม่เนี่ยมาใช้ เพื่อน้อมจิตให้สงบมันก็ได้เหมือนกันไม่จงเป็นว่าจะต้องพุโทโธหลายคนนี่ติดคำพุโทโธไปคิดว่าเนี่ยนี่คือคำตอบหรือเป็นวิธีเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อุบายเป็นตัวช่วยที่ทำให้จิตสงบ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลนะอะไรก็ตามที่ทให้จิตสงบได้เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นไม่ใช่แต่คำว่าแม่เท่านั้นนะนาทีคำอื่นก็ได้ผลเหมือนกันนะสำหรับคนคนนั้นหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยท่ท่านเป็นเนรเนี่ยอาจารย์ก็ให้ท่านภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนี่แหละแต่ท่านบอกท่าน ภาวนาไม่ได้เลยนะนึกถึงแต่แฟนนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักตอนหลังเนี่ยท่านนะทิ้งคำว่าพุโทโธเลยนะแล้วก็เอาชื่อของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาบริกรรมแทนนะผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อประยูนนะสองพยางา์เหมือนกันก็นึนกนะ ถึงเขาว่าประยูนประยูนประยูนเนี่ยหายใจเข้าออประหายใจออกยูนเนี่ยพัะใจสงบเลยนะแล้วสงบจงกนกระทั่งทำให้ท่านเนี่ยนะบริกรรมต่อนะจนเห็นนะร่างของหญิงที่ชื่อประยูนนี่เนี่ยกลายเป็นกระดูกนะกลายเป็นอสุภะไปเลยเนะ้าก็ทำให้ท่านเนี่ย คลายความยึดมั่นนะในผู้หญิงคนนั้นได้อันนี้ก็เรียกว่าท่านาทำนอกครูนะแต่ว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลก็คือความสงบแล้วก็การปล่อยวาง ถ้าทั้งสองกรณีเนี่ยก็ชี้เห็นด้ว่ามั น, นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ละคนเนี่ยบางทีก็ต้องรู้จักนะประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเพราะนั่นเป็นเพียงวิธีการนะถ้าวิธีใดที่สามารถที่จะ นำพาให้เราเนี่ยเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่ดีงามเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเป็นวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วเพราะถะาเป็นวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถเทียบพาเข้าสู่ภาะวะที่ดีงามได้ให้การปฏิบัติจะได้ผลเนี่ยมันต้องจับหลักให้ได้ แล้วก็รู้จักสังเกตว่าวิธีใดเนี่ยเหมาะกับตัวรวมทั้งรู้จักแก้ปัญหาของตัวเองได้โดยเพราะเมื่อปฏิบัติผิดแล้วก็รู้จักใคร่ควรแล้วก็รู้ว่าโอเราปฏิบัติผิดและพอจะปฏิบัติให้ถูกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ ไม่ใช่วิธีการที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ว่ามันเหมาะกับตัวมันก็ได้ผลเหมือนกันแล้วถ้ามันได้ผลก็ถือว่าใช้ได้อย่างมีพระหนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยนะมาปฏิบัติไม่ค่อยรู้วิธีการปฏิบัติเท่าไหร่ฟังคำแนะนำของหลวงพ่อเทียนท่านบอกให้ให้ดูความคิด ให้รู้ทันความคิดก็เอาแต่จ้องเอาแต่เพ่งนั้นดูความคิดนะแล้วก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดตอนแรกท่านสอนให้ให้มารู้กายก็ไปเพ่งกายนะเพ่งที่มือที่กำลังยก เพ่งที่เท้าเวลาก้าวเดินจงกรมเนี่ยนะพอเพ่งทั้งกายจ้องที่ใจนะทำไป2ออาทิตย์ได้นะก็เครียดแล้วก็ปวดโน่นปวดนี่นะพอเครียดที่ใจเนี่ยมันก็กายก็เครียดด้วยจนปฏิบัตินี่แทบจะไม่ได้เลย ตอนหลังเนี่ยพอรั่วเนี่ยไอตัวเองเพ่งเนี่ยก็พยายามที่จะถอนใจออกมาจากการเพ่งแต่มันไม่ยอมนะพอทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเอาแต่เพ่งอย่างเดียวเลยเคล้ายๆว่ามันกลายเป็นที่ใสไปซะแล้ว้วทำยังไงจะให้จิตมันเนี่ย เพลงน้อยลงกลับมารู้กายแบบพอดีพอดีรู้ใจโดยที่ไม่ต้องจอง้องก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าลอง เ, เวลาเดินตรงกรมเนี่ยลองมองไปไกลๆมองไปไกลๆ ค, คล้ายๆว่าให้จิตนเนี่ยมันส่งออกนอกที่จริงเรื่องการส่งจิตออกนอกครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ ไม่แนะนำนะท่านห้ามด้วยนะห้ามโดยทย่ไม่ไม่ให้ส่งจิตออกนอกเพราะมีททำให้ฟุง้งแต่ว่าในกรณีนี้นะพระหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยจิตมันเพ่งเข้าไหนมากนั่นจะให้มันจาให้ถ้าจะทำให้การวางจิตยอยู่ในเพราะที่พอดีพอดีเนี่ยมันต้อง เพ่งออกไปข้างนอกก็ทำเนี้ยเดินจงโกมมองไปไกลมองไปไกลพยายามส่งสายตาไปจ้องอยู่ที่สิ่งไกลๆปรกว่าความเที่ยวค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งพอจิตมันเริ่มอยู่ในพ้อที่พอดีพอดีละคือไม่เพ่งเข้าในแล้วก็ ก็เริ่มที่จะถอนจิตออกจากการาส่งออกนอกการปฏิบัติก็เริ่มเข้าที่นะแล้วก็เริ่มนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่านอกครูนะแต่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาของการปฏิบัติที่เกิดกับภาพรูบนั้นได้ แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้ชั่วคราวนะใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉยๆหลายคนที่เจอปัญหานี้เนี่ยมีเยอะชอบเพ่งนะต้องการให้มันรู้ชัดๆนะรู้กายชัดๆเวลายกมือหรือรู้ลมชัดๆเวลาหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ไม่อยากให้จิตมันฟุง้งก็เลยบังคับจิตให้มันอยู่กับกายแล้วก็คอยดักจ้องจิตไม่ให้มันคิดทำไปนานๆ น, นี่ก็เครียดทำไปนานๆก็แน่นหน้าอกนะสารพัดถ้าบางคนกน็ต้องเลิกปฏิบัติไปเลยเพราะว่าปฏิบัติทีไรนี่มันมันเพี้ยนแต่ว่าถ้าหาก ลองใช้วิธีที่จะดึงจิตออกไปข้างนอกนะด้วยการส่งจิตออกนอกมันก็อาจจะช่วยได้เพื่อมาคือต้องรู้หลักนะว่าต้องรู้ปัญหาว่าเนี่ยปัญหาตัวเองเกิดจากอะไรเนะเกิดจากการที่เพ่งเข้าในวางจิตไม่พอดี ถ้าหากว่ามีวิธีใดที่ทำให้จิตเนี่ยมันพอดีหรื้อยู่กลางๆงอันนี้มันก็ได้ผลอัมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละก็สำคัคือต้องรู้หลักนะว่าการปฏิบัติเนี่ยที่สาคัญคือต้องให้จิตเนี่ยมันพอดีมันอยู่กลางกลาการปฏิบัติวิธีใดก็ตามเนี่ยการจับหลักให้ได้นี่สําคัญอย่างเช่นการเจริญสติเนี่ยนะเจริญสติเนี่ย รสตินี่คืออะไรนะก็คือเพื่อให้มีความสามารถในการรู้ทันความคิดได้ไว<ม>เห็นอารมณ์ได้เร็วจะรู้ทันความคิดได้ไวเห็นอารมณ์ได้เร็วเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้ให้สติได้ฝึกเห็นฝึกรู้ เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมให้มีความคิดยอมให้มีอารมณ์นะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดไม่ดีอารมณ์เช่นใดก็ตามแต่ถ้ามาแต่ถ้าตั้งใจเจริญสติแล้วพยายามไปกดขม่มจิตไม่ให้คิดนะพยายามผลักสายอารมณ์อันนี้มันก็ไม่ถูก แต่ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าจรลสติเนี่ยคืออะไรจับหลักไม่ได้จลสติเนี่ยมันก็ต้องยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นมันต้องยอมให้จิตเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกเพื่อจะได้ให้จิตเนี่ยได้ฝึกรู้ฝึกเห็นนะหรือรู้ทันอาการของใจ แต่บางคนเนี่ยต้องการความสงบนะพอต้องการความสงบเลยไม่ชอบความฟุง้งนะเราพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดที่จริงแล้วเนี่ยมันตรงข้ามเลยนะต้องยอมอนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นให้อารมณ์มันเกิดขึ้นหลงวงพ่อเทียนนั่นบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดหมายถึงยิ่งคิดฟุ้งซ่านนะ คิดนะที่ไมไ่ตั้งใจกิจปานการลักคิดยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนี่ยรู้นี่คือรู้อะไรรู้ทันความคิดน่ใหม่ๆเนี่ยมันคิดร้อยอาจจะรู้สักสิบที่เหลือนี่ไม่รู้เลยนะเรียกว่าหลงเลยหลงไปกับความคิดหรือหลงคิดแต่พอทำไปทำไปมันก็รู้มากขึ้นนะ จะเผอคิดไปร้อยก็เริ่มจะรู้ทันความคิด20แล้วก็30 4สสีสิบันสติมก็จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมหรืออนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นถ้าบางคนสงสัยอุตกอนเนี่ยมันก็คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาแต่ทำไมไมันไม่รู้อ่ะทำไมไมันไม่รู้ทันก็เพราะว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรู้ทันความคิด ตอที่แม่ปฏิบัตินี่ก็ปล่อยใจลอยไปตามความคิดเพลินเรืองความคิดจมไปความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมาปฏิบัติมันมีนมความตั้งใจความตั้งใจที่จะรู้ทันให้ความตั้งใจนี่เป็นตัวสําคัญเลยนะเพราะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ทันนะเผลอคิดไปร้อยหนึ่งก็รู้ทันก็ที่แค่5 หรือไม่ถึง10เนะแต่ถ้าตั้งใจที่จะรู้ทันเนี่ยมันก็จะรู้ทันได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไวขึ้นไวขึ้นด้วยอยู่ที่ความตั้งใจเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเดินจงกรมตั้งใจที่จะรู้กายแต่ก่อนไม่มีความตั้งใจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินไปกี่หมื่นกี่แสนก้าวก็ไม่เคยมีสติ แต่พอเริ่มมาเดินจงกลมแล้วตั้งใจว่าจะรู้กายเนะเมื่อกายเดินก็รู้ว่าเดินนะใหม่ๆมันไม่รู้ว่าเดินหรอกนะเพราะว่าใจมันลอยใจมันไม่อยู่กันเื็กกับตัวเดินไปสิบนาทีก็รู้ตัวหรือรู้กายในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่พอเดิน บ, บ่อยๆเดินบ่อยๆด้วยความตั้งใจว่าจะรู้ กายมันก็จะเริ่มจะรู้ตัวมากขึ้นเวลาเท้าเคยเร่งเยยับแต่ก่อนไม่รู้เลยนะแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วแต่บางคนอยากจะรู้มากๆนั่นก็เลยไปเพ่นอันนี้เลยพลาดเลยนะเพราะความอยากมันไม่ได้มีแค่แ ค, ความตั้งใจแต่มันมีความอยากที่จะให้รู้กายชัดๆ แล้วยิ่งพอใหญ่ให้รูปกายชัดๆมันยิ่งไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านเพราะเป็นตัวที่ทำให้ใจเนี่ยมันหลุดมันลอยออกไปจากกายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ยิ่งต้องพยายามกดข่มความคิดพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้ในสุดก็เลยกลายเป็นปัญหาไม่ใช่ความคิดความิเนี่ยอารมณ์เลยนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะในเช่นความโกรธเนี่ย ความหงุดหงิดเนี่ยเหมือนกันนะต้องย่อให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่สติจะได้ฝึกรู้ทันมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปกดข่มผักไสมันแบางคนนี่พอเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยเป็นทุกข์เป็นร้อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันมาปฏิบัติทําไมมันถึงเกิดมากมายแบบนี้หรือว่ารู้สึกรุ่มร้อน เป็นทุกข์ที่จิตมันไม่สงบเลยนะรู้สามมาปฏิบัติเพื่อจิตสงบแต่ทำไมมันร้อนแบบนี้จริงความกลัวมันไม่ทำมันไม่ทำให้ ร, ร้อนเท่าไหร่หรอกแต่เป็นเพราะความรู้สึกรบต้องการผักใสมันมันก็ทำให้จิตนี่ร้อนโดยเพราะเมื่อมันไม่ยอมหายไป ที่จริงเวลามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะตัดไม่ให้ขาดเลยทันทีที่ไม่ได้นะหรือว่าจะห้ามมันเลยทันทีก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ทันทีคือรู้ทันมันแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องผักสายมันแลวไม่ต้องกดคมมันเพราะทำไม่ได้อยู่แล้วให้มันหายไปทันทีแต่ว่าเราฝึกให้รู้ทันได้ทันทีรู้แล้วก็ยอมรับมัน นะยอมรับเออมันเกิดขึ้นก็มันมาก็มาไปเดี๋ยวมันก็ไปเองนะเวลามันเกิดขึ้นก็อย่าไปโวยวายตีโพย ต, ตีพายยอมรับมันอย่างที่มันเป็นมันจะช่วยๆชาวแม่เหล่าเนี้ยได้รู้จักเสิ่งที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่ อ, อหรือเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นหมายมันก็ทําไม่ได้นะมันที่แต่จะจะผลักไสกดข่มหรือว่าตัด อารมให้ขาดเราก็ต้องรู้จักห้ามใจม้างนะเออฝึกดูมันแม้มันจะทุกข์มันจะร้อนอยังไงก็ดูมนไปเดี๋ยวมันก็ไปเองนะบอกตัวเราแบบนี้เตือนเตัวเราแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไปเองหรือว่าจะบอกเตือนย้ำกับตัวเองก็ได้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราบางคนเนี่ยเป็นทุกข์เวลามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นทําไมเราคิดชั่วแบบนี้ทําไมเราคิดแย่แบบนี้ที่ถึงความคิดมไม่ใช่เรานะ แต่เป็นเพราะเราเผลอเป็นเพราะหลงไปเลยไปยึว่ามันเป็นเราพอยึดเป็นเรานี่ทุกข์เลยทุกข์เพราะว่าเราคิดชั่วแบบนี้ได้ยังไงแต่ลองมองว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งที่จอนเข้ามาพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ดูมันโดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันแค่รู้สื่อๆเริ่มันก็จะหายไป ้ทำกิจไดมันต้องรู้หลักนะว่าสติเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรหรือทำหน้าที่อะไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันถ้าไม่รู้หลักเนี่ยมันก็ทำผิด ม, มาฝึกมาฝึกสติเพื่อจะเอาความสงบโดยที่หมายถึงไม่คิดอะไรเลยเนี่ย น, นี่แสดงวไม่รู้หลักแล้วแล้วยิ่งพอไปกดขม่มความคิดไปห้ามจิตไม่คิดนี่มันก็ยิ่งเข้าลลกเข้าพงไปเลย ล้วก็จะมาบ่นว่าทำไมปฏิบัติแล้วฟุ้งเหลือเกินอันนี้พราะไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตแล้วพาอจับหลักไม่ได้ก็เลยปฏิบัติผิดแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเข้าถึงสิ่งที่เราเพียรพยายามที่จะบรรลุหรือทำให้เกิดขึ้นชานิยุพุทโธนี้นะ